สิ่งต่างๆเกิดมาจากความคิดเพราะคิดอยากจะมีร่างกายร่างกายก็ได้เกิดขึ้นนี่คือบทสรุปใจความของคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหลักอันนี้ขอให้พิจารณาดูให้ลึกซึ้งสิ่งซึ่งมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้สัมผัสด้วยประสาททั้งห้าไม่ได้แต่สิ่งนี้ก็มีจริง และสิ่งนี้สามารถก่อให้เกิดสิ่งที่มองเห็นได้สัมผัสได้จับต้องได้นี่คือข้อมูลที่เห็นกันอยู่เป็นปกติแต่เป็นเพราะไม่เคยคิดอย่างนี้ไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนจึงได้มองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่เจรรดาที่เกิดอะไรก็ได้ให้เป็นอะไรก็ได้หมายเหตุผู้อ่าน คำว่าเพราะคิดอยากจะมีร่างกายร่างกายก็ได้เกิดขึ้นซึ่งตัวการของการสร้างร่างกายนั้นก็คือตัณหานะครับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตย่อมรักสุขเกลียดทุกความรักสุขต้องการสุขนั่นก็คือตัณหาความอยากมีสุขนั้นก็คือความอยากมีชีวิตเมื่ออยากมีชีวิตก็ต้องมีร่างกายแต่จะมีร่างกายแบบไหนอยู่ในภพภูมิไหน ก็อยู่ที่ว่ามีวิบากหรือบุญบาปสะสมไว้แค่ไหนบุญมากคือจิตปราณีตมากก็สร้างร่างกายที่ปราณีตและได้เกิดในภพภูมิที่เหมาะสมกับสภาพของจิตนั้นมองแบบง่ายๆที่ว่าความคิดอย่างมีร่างกายร่างกายก็เกิดขึ้นนั้นในอวัยวะต่างๆให้สังเกต ด, ดูว่าทุกอย่างล้วนเกิดมามีความหมายเช่นจิตที่ยังมีความอยากกิน ก็ต้องเกิดในภพภูมิหรือในร่างกายที่มีการกินต้องมีปากมีระบบย่อยอาหารมีระบบขับถ่ายมีอวัยวะน้อยใหญ่เกิดขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตของภพนั้นๆเช่นหากยังเกิดในการมะพบที่ยังมีความต้องการกินอาหารเป็นคำคำที่เรียกตามศัพท์บาลีว่ากาวลิงกะลาหารนั้นก็ต้องมีอวัยวะรองรับเพื่อการกินอาหารนั้นแต่เมื่อเลื่อนขั้นไปถึงรูปภภูมิขึ้นไปคือเป็นชั้นพรม ซึ่งไม่ติดข้องในกามคือรูปเสียงเปลิ่นรสสัมผัสไม่มีความต้องการกินอาหารเป็นคำคำอีกแล้วแต่มีปีติสุขเป็นอาหารแน่นอนว่าอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องก็ต้องลดลงไปด้วยจนถึงขั้นพรหมไม่มีรูปคือเหลือแต่จิตร่างกายก็หายไปเพราะความยึดมั่นในรูปคือร่างกายนั้นไม่มีวิญญาณจึงไม่สร้างรูปขึ้นมานี่คือคําตอบที่หลายคนสงสัยว่าเกิดมาทําไม โดยส่วนมากก็คิดว่าการเกิดนั้นเกิดขึ้นมาเองหรือมีใครสร้างให้เกิดแต่ความจริงแล้วก็คือเกิดมาจากวิญญาณหรือจิตของตนเองนำมาเกิดในภพต่างๆตามความปรานีตของจิตหรือความต้องการที่สะสมเป็นวิบากไว้ในจิตของแต่ละคนนั่นเองกลับเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับ อย่างหนึ่งในโลกทิพนั้นความคิดซ่อนกันไม่ได้เพราะใครคิดอะไรความคิดก็จะปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆคำพูดโดยเสียงที่พูดโดยที่สุดเสียงดนตรีซึ่งเกิดจากความคิดของคนเล่นก็ปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆเหมือนกันในโลกทิพไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์เพราะคนในโลกทิพแม้จะอยู่ไกลกันก็ยังสามารถส่งความคิดถึงกันได้ บอกทางจิตให้มาหากันได้มองเห็นกันได้ความคิดในโลกทิตนั้นมีอิทธิพลมากที่สุดส่วนในโลกมนุษย์ขอให้สังเกตดูให้ดีความคิดของคนเรามีอิทธิพลมากนับตั้งแต่ทําให้เกิดร่างกายขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายสมองเครื่องมือของจิตเหล่านี้ก็เกิดมาจากความคิดมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่ก็ขอให้พิจารณาดูให้ละเอียด และจะเข้าใจได้คำพูดของคนเราการแสดงกิริยาอาการการแสดงสีหน้าน้ำเสียงสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อคนอื่นและบันดานให้เกิดอะไรต่ออะไรอยู่เสมอในชีวิตประจำวันนั้นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้คืออะไรจิตใจของคนเราเดียบปกติตกเป็นทาสความคิดของคนอื่นอยู่เสมอใช่หรือไม่ไม่มีใครทิจะคิดทาอะไรด้วยตนเองล้วน โดยไม่ได้รับความคิดมาจากใครเลยใช่หรือไม่เ -CN ฉะนั้นขอให้สังเกตให้ละเอียดความคิดของตัวเองล้วนโดยไม่ได้รับมาจากใครหรือไม่ได้รับอิทธิพลมาจากใครเลยนั้นเป็นไปไม่ได้อย่าคิดเข้าข้างตนเองอย่าสำคัญว่าตัวเองเป็นใหญ่อย่าสำคัญว่าฉันเป็นตัวของตัวเองเพราะโดยความเป็นจริงแล้วคนอย่างนี้ไม่มี ฉะนั้นจึงขอให้สังเกตเอาไว้กระแสะความคิดของคนเราวิ่งถึงกันได้ซึ่งวิธีปกติแล้วต้องอาศัยการดูการฟังหรือการสัมผัสทางใดทางหนึ่งเป็นสือ่อแต่ความจริงคนที่มีสมาธิสูงนั้นแม้จะอยู่ห่างไกลก็สามารถจะส่งความคิดไปถึงคนอื่นได้ และทั้งสามารถจะมองเห็นกระแสคลื่นแห่งความคิดต่างๆได้ด้วยเราไม่ว่าในโลกมนุษย์หรือในโลกทิพย์ความคิดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นจะมีปรากฏเป็นแสงด้วยทุกครั้งซึ่งแสงที่ว่านี้ในโลกทิพย์มองเห็นได้ง่ายส่วนในโลกมนุษย์ต้องอาศัยคนที่จิตเป็นสมาธิขั้นสูงจึงจะเห็นแสงนี้ได้กระแสความคิดซึ่งปรากฏเป็นแสงและเป็นคลื่นนี้ สามารถจะล่นไปได็ไกลแค่ไหนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังจิตจะมีมากน้อยแค่ไหนคือถ้ามีน้อยก็ไปได้ไม่ไกลถ้ามีมากก็ไปได้ไกลมากอย่าลืมว่าโดยปกติของคนเรานั้นยอมจะได้รับกระแสความคิดจากคนอื่นด้วยกันอยู่เสมอทางตรงก็คือผ่านทางประสาททั้งห้าทางอ้อม ก็คือได้รับในลักษณะของการดวนใจให้คิดอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้สึกว่าตนได้รับความคิดมาจากผู้อื่นและคำว่าผู้อื่นในที่นี้หมายถึงทั้งมนุษย์และพวกโอปปปาติกะทั้งหลายด้วยหมายเหตุผู้อ่านในปัจจุบันก็ได้เจอกับหลายท่านที่สามารถมองเห็นความคิด หรือพลังงานทางจิตของแต่ละคนได้และอธิบายได้ว่าขณะนั้นจิตเป็นกุศลหรือเป็นอ ก, กุศลและมองเห็นเป็นกลุ่มพลังงานด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วได้เจอมาหลายท่านที่มีความสามารถแบบนี้พลังงานทางจิตนั้นสามารถแผ่ออกรอบตัวและมีผลต่อคนรอบข้างได้จริงถ้ามีมากพอก็สามารถสะสมในวัตถุและในสภาพแวดล้อมนั้นได้ ให้สังเกตงา่ายๆนีครับเช่นถ้าหากเราไปวัดที่ปฏิบัติดีจะรู้สึกได้ชัดถึงพลังงานบางอย่างที่ทาให้รู้สึกจิตสงบได้ง่ายท่านว่าในสถานที่บางแห่งที่มีพระอริยะไปปฏิบัติธรรมอยู่นั้นแม้ท่านจะจากโลกนี้เป็นนานแล้วแต่ถ้าหากเราได้ลองไปนั่งสมาธิหรือไปนั่งสงบจิตในที่นั้นก็จะสามารถสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้และบางสถานที่ก็เข้มข้นมากจนบางครั้งบางคน เกิดปีติขนลูกชันน้ำตาไหลพรากออกมามากมายก็มีหลายท่านได้สัมผัสมาแล้วเช่นกันหรือถ้าจะยกตัวอย่างใกล้ตัวก็เช่นถ้าหากเราไปนั่งใกล้คนที่กำลังหงุดหงิดกำลังมีความทุกข์หนักถึงแม้เขาจะไม่แสดงออกให้เรารู้แต่เมื่อเราไปนั่งใกล้หรือต้องอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้ชัดว่าเกิดความรู้สึกขดหูใจทุกใจหรือฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างหาสาเหตุไม่ได้ ในทางกลับกันถ้าเราเป็นนั่งใกล้กับคนที่กำลังมีความสุขมีจิตสงบหรือมีกระแสเมตตาสูงมากเราก็จะรู้สึกสงบและมีความสุขอย่างประหลาดอย่างหาสาเหตุไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่งในเรื่องเหล่านี้แม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีการทดลองถึงพลังงานพวกนี้โดยทดสอบผ่านผลึกน้าก็พบว่าการพูดดีคิดดีทาดีนั้นเช่นการสวดมนต์หรือพูดคำเพราะ คำที่มีความหมายดีเช่นขอบคุณเมื่อนาไปตรวจสอบผลึกก็เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับว่าแก้วที่พูดคําเพราะนั้นมีผลึกสวยงามส่วนแก้วที่พูดคาหยาบนั้นมีสภาพผลึกน่าเกลียดไม่เป็นระเบียบแตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงแสดงให้เห็นได้ชัดว่าพลังกุศลและอกุศลจากจิตนั้นถือว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งและแผออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้จริง